ลูกที่สองก็ย่ามาชวนศึกเหมือนกันนะครับบอกนิมมนถ้ามาบริพภอกลามเถิครับเนี่ยท่านก็บอกว่าท้าหลายกางหลายเราห้ามแล้วนะครัะเนี่ยนะแล้วก็ลังเกียดขึ้นมาเลยครับแต่กลางั้งหลายห้ามแล้วนี่ขนาดหนผ้านาคนมีหรอเมกลางมาคูนี้นะครับครับนั่นัเป็นเป็นเป็นครับถ้ามสจิกลางก็เลยเป็นบาลานซ์่น้รูปถ้าประหลที่กางก่นเป็น ผมว่าน่าน้าน่ า, น, า, า น, นะครับครับและรูมหนึ่งย่าก็มานิมนต์ให้สื่อเหมือนกันนะครับท่านาย่ามาถามมันจะนิมนต์ให้สื่นะถามว่าท่านยังยินดียิ่งอยู่หรือนี่ครับท่านก็ตอบว่าเรายังยินดียิ่งอยู่ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับแค่เนี้น ะ, ะ แ, นนะและรังเกียจขึ้นมาเลยนะครับรูปนี้ก็ไม่ต้องเพราะไม่มีความประสงค์จะอวด น, นะครับก็ยินดีในศาสนานะในการศึกษาอุเทนนะครับ การศึกษาเนี่ยก็ทําคําสอนในการปฏิบัตินะครับ่ยินดีอยู่แต่ท่านยันไม่ได้มารู้อะไรนะท่านกำลังเกียนนะครับท่านมีโยมมาถามวิชาหนี้จะนิว่าย่งไงท่านยังยินดีท่านยังยินดียิ่งอยู่หรือยินดียิ่งแคไม่ศาสนานี่ไงพอเป็นไปได้เขามามีแล้วไงปุ๊บพรมอาจารย์ด้วยน้ําตาวิชลีเคยได้ยินไหมคือไม่อยากจะอยู่ไง แต่ก็ฝืนใจอยู่แบบ่ีงแหละครับทนอยู่อย่างนั้นคหละถึงว่าก็ยังยังเห็นประโยชน์อยู่ไงครับใจหนึ่งก็ยังเห็นอยากเห็นเห็นประโยชน์อยู่นะอีกใจหนี่งก็อยากจะออกไปถึงการมงคณอย่างนี้นะครับนั่นแหละก็เลยทนอยู่อยู่ทนอ่ะหนือผมันจะรได้น้ำตาครับทนอยู่ยแล้วก็เรื่องครับเรื่องหลีไปนะครับ เรื่องนี้ก็มีพิสูรหลายรูปนะ้นจำพรรษาอยู่แล้วก็ทําปติการกันไว้นะครับว่าพิสูตรายหลุดไปจากอาว่านี้ก่อนใครออกมาจากว่านี้ก่อนนะพวกเราจะเข้าใจมิสูตนั้นว่าเป็นผ้าหันนะครับรูปหนึงก็ได้ออกก่อนเพื่อนเลยครับเพื่อใช้เพื่อนร่วมตัวเป็นผ้าหัน mm. <c oughs> อันนี้มีราชีมียังครับไปแล้วนะครับเป็นแล้วเพราะทําปติการกันอย่างนี้ฮะครับ mm. ต่อมานี่เป็นเกือบสิบเรื่องนะสิบบนเรื่องครับ เป็นเรื่องของเปลหมดเลยนะครับก็เรื่องแรกนะเรื่องพระโมคคานากับพระลักษณะนะครับที่เดินรงมาจากเของพ่จะขุดใช่ไหมเพื่อบีทบาและในระหว่างทางพระมหาโมคคานะท่านเห็นเปลยนะครับเดี๋ยว่าเห็นเปลยตอนแรกเราชื่อว่าอันถีสังคณิกับเปลเปลยคนนี้มีแต่ล่างกระดูกนะครับพอไปกลางอากาศนะพวกนกแร้งนกกาพุ่งเหยื่วใช่ไหมครับมาจิกนะครับมารุมจิกยือย้อนะครับ เนี่ย yeah. แล้วพระลักษณะก็เลยถามท่านก็ท่งองความย่าให้เกิดขึ้นใช่ไหมพระนางก็เลยถามว่ายิ้มห้อยอะไรใช่ไหมครับท่านก็บอกว่ายังไม่หมอกตอนนี้หรอกเดี๋ยวให้อะไรนะให้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็จะบอกให้ฟังนะนะครับพอบิดาบากลับมานครับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เลยถา ม, ามาที่ตอนนั้นเลยว่าตอนนี้กำลล ง, งจากเขาเป็นบิดาบานะท่านยิ้มห้อยอะไรใช่ไหมท่านก็ได้ฟังว่ า, วาพ่อไปเจอเนี่ย ไอเปรที่มีแต่ร่างกระดูกนี้แหละนะครับที่ทั้งหลายก็เลยก็เลยแท่งทษเลยนะครับว่าพระโมคคลาณน่นะอะไรนะพยากรตริพยากรณ์นะครับวัวตรีมุสธรรมนะนะครับที่สุดที่ไม่รู้ท่านใช่ไหมที่ยังมีที่สุดเพ่งทอดท่า่างนี้ยัง่รู้พระมหาโมกคลาณนาานะครับนี่นะพุทธเจ้าก็ต่ันว่านะดูก่อนที่สุดทั้งหลายสามทั้งหลายย่อเป็นผู้มีจักสูญอยู่ ย่อมเป็นผู้มีญาณอยู่เพราะพราะสาวกได้รู้ได้เห็นหรือได้ทําสันเชนนี้เป็นพยานแล้วพงษ์ก็บอกว่าแม้แต่พงษ์เคยเห็นมาก่นอนแล้วใช่ไหมแต่สมัยนั้นนะตอนที่มารู้ใหม่ๆนะครับก็เห็นมาแล้วนี่ท่านก็ท่านก็ไม่ได้บอกตอนนี้ใหม่ตัวนี้ครับบอกได้เห็นมาแล้วนะแต่ที่พระองคไม่บอกว่าเพรอะไรเพราะคนที่ไม่ถ้าพรองบอกแล้วนะครับมีคนไม่เชื่อพระองค์ใช่ไหมข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่ ความไม่ถึงเปรี้ยวเกื้อกูนแก่เข้านะครับพ่อองค์ก็เลยไม่บอกแต่ตรงนี้มีสักกีพยานและชิมาถึง้าวหมกพลาน่นะครับเนี่ยพ่อเขันว่ามีความมิทัุนหลายสัตว์นั้นเคยเป็นคนฆ่าโคนะครับอยู่ในพันธุของราชคฤห์นี้เองด้วยวิบากแห่งกรรมนี้นั้นเขาหมกมาอยู่ในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีนะครับแล้วได้ประสบอัตภาพเช่นนี้ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นแหละที่ยังเป็นส่วนเหลืออยู่ ดูความมิสูตรทั้งหลายมองคลานะพูดจริงมองคลานะไม่ต้องอา้างอินะครับอันนี้แปลยตอนแรกที่ท่านเห็นนะแตัวมันก็จะย่อแล้วพูดแต่เปลยพอแต่ว่าคนราคาเงี้นะครับขาที่สองท่านก็ไปเห็นเปลดที่มีแต่ชิ้นเนื้อนะครับห่ออยู่กลางอากาศนั้นถูกพวกนกพวกอะไรเนี่ยมาลงจิตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอ้เปลยตัวเนี้ยเคยเป็นนายค่าโคมา่ก่อนนะครับแล้วก็เชื่อเราเนื้อโคมาใช่ไหมนี่นะครับ กลายเป็นเป็ดที่มีแต่ชิ้นเนื้อนะครับเป็ดตัวที่สามนะครับถ้าเขาไปเห็นเป็ดตัวที่สามที่มีแต่ก้อนเนื้อนะเมื่อกี้ชิ้นเนื้อนี่เป็นก้อนเนื้อนะครับรอยห่ออวัยวะการนะแล้วก็มีพวกนอกพวกอะไรมาจิกยื้นะครับนี่แหละเป็ดตัวนี้ก็เคยเป็นพานนอกผมเลยผานอกมาก่อนเป็ดตัวที่สี่ก็เป็นเป็ดที่ไม่มีผิวนะครับนี่เชมิเป็ดนะห่อการกลางเหมือนเดิมนะถูกนอกถูกกลางมาจิกนะครับเป็ดตัวนี้ก็เป็น อะไรนะใครเปนคนฆ่าแกะมาก่อนเราถลอกหนังนี่นะฆ่าแกะแล้วก็ท่านลกเอาหนังไปนะครับการเป็ไม่มีผิวแต่ตัวีิสีเป็นเปลือที่มีขนเป็นหนามครับอสีโลมาเปลืนะมีขนเป็นหนามครับไม่ใช่ว่ามีขนเป็นหนามเฉยนะขนนั้นมันจะหลุดออกจากตัวแกะนะครับตัวแปลตัวนี้นะแล้วก็พุ่งแทงกลับมาเหมือนเดิมครับนี่นะเจ็บทรมานมากอะไรครับเนะเปลือตัวนี้ก็เคยเป็นคนฆ่าสุกรก่อนครับ เขาใช้หนามนะครั บ, รบก็กลเป็นเป็ดตัวต่อไปนะครับเป็นเป็ดที่มีขนเป็นห่ครับนองในการนะขนมันจ่อเนี่ยตัวนะครับลอยไปแล้วก็พุ่งกลับมาทิ่มไข่ตัวเองครับเนี่ยนะเป็ด ต, ตัวที่สี่ก็มีขนเป็นลูกศร น, นะครับอันนี้ก็นะเมื่อตะเกียรใครเป็นไอนะ้น้ำพานเนื้อครับคงเจะเห่อไปพุ่งใส่เนื้อนะก็เลยกลายเป็นเป็ดที่มีขนเป็นหอนะครับ เป็ดตัวต่อไปเป็ดที่มีขนเป็นลูกสอนนะครับเนี่ยนะก็ลุกสอนก็ลอยออกไปใช่ไหมขนลอยออกไปแล้วกลับมาทิ่งแทงตัวเองนะครับเป็ดคือเนี้เคยเป็นนายพิชชานะครับเป็ดตัวต่อไปนะครับคือใครนี่มีขนเป็นเข็มครับมีขนเป็นเข็มนะถ้าว่าเป็ดตัวนี้เคยเป็นนายสารถีนะครับคงจเจาป่าตักทิ้งแทงวัวบ้งทิ้งแทงม้านะเคยเป็นนายสารถีนะครับ แล้วกลับมาเกิดเป็นเปดที่มีขนเป็นเข็มนะครับเนี่ยนะน่าใช่นะครับเคยเป็นนาสันรัชีนะนต่อไปนะครับเป๋อะไรอีกล่ะเปดที่มีขนเป็นเข็มนะครับแล้วก็เปดที่มีขนเปดที่มีขนเป็นเข็มเหมืนกันนะตัวนี้นะแต่ว่าขน ข, นนะของแกเน่ยจะพุ่งออกไปนะครับ แล้วกลับมาทิ่มแทงอวัยวะต่างๆนะทิ่มเข้าไปในป่าแล้วก็ทะลุกออกส่วนนั้นส่วนนี้ครับทิ่มเข้าไปในอกนี้แล้วก็ทะลุออกไปแกเคยเป็นคนสอ่อเสียมาก่อนนะครับก็เลยโดนอย่างนี้แต่ตัวต่อไปเป็นเปรตที่มีอันดักเอานะครับเข้าหม้อเลยเดินไปไหนก็ต้องแบกอันดันี้ไปด้วยแล้วก็พวกอะไรมันก็มาจิกนะครับเปรตคนนี้ก็เคยเป็นผู้ผพิพากษาโกงชาวบ้านนะครับตัวต่อไปก็เป็นเปรตที่จมในหลุงคู่นะครับ อยู่ในหน yeah, ma uh, okay. ุมช่วมันน้ำมิดหงวอะไรครับแต่ตัวนี้ก็เคยเป็นชู้กับภรรยางเข้านะครับไป็นต้นโดนนี้นะคือพวกนี้ไม่ใช่มาเกิดเป็นเป็เลยนะไปหมกมันในยังเราก่อนใช่ไหมแล้วก็มาเกิดเป็ดนะครับครับแล้วก็เป็ดตัวนี้เป็นเป็ที่อยู่ในหนุมโค้งเหมือนกันแต่เป็ตัวนี้ก็เป็นเป็ที่กินโคู่นะครับเอาเมือนทั้งสองกอบกินจระเข้ใหญ่เลยนะครับนี่แหละชาติก่อนก็เคยเป็นพาผู้ชั่วช้านะครับ นิมนต์พระมานะแล้วก็เทอุจนาใส่หลังๆแล้ววอนนิมนตให้ฉันนี้นะเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะครับใครต้องมันเกิดเป็นเปลยกินจารานะนเนี่ยครับแต่ตัวต่อไปก็เป็นเปลกผู้หญิงที่ไม่มีผิวครับเพราะว่าเคยเป็นน้องชายสามีก่อนน้นมีชูนี่นะครับกลายเป็นเปลที่ไม่มีผิวนะครับพวกนี้มันจะไม่มีผิวเฉยนะก็ถูกพวกเหยียบพุงและอะไรมาลุมจิกลุมจิกนะครับ แล้วเป็ดตัวไปเนี่ยผมยังไม่เข้าใจนะบอกว่าเป็นเป็ดที่ลรูปล่างหน้าเกียร์มีกลิ่นไหมนนะครับแป็ตัวนี้เคยเป็นแม่มดมาก่อนแกเคยเป็นแ<ๆ>ม่มด <c oughs> ครัผมก็ยังไม่รู้อ๋อเกี่ยวกรูปพระโมคลานา<อ>ไงท่านพระยาลาวไปเห็นเป็ดเหล่านี้นะ<อ>แล้วก็บอกว่าท่านอะไร น, นะแล้วเขก็ไลยฝังใช่ไหมครับสู่ภริฏเกียนท่าน หาว่าท่านอูตลีนะครับว่าได้ริดได้เนี่ย น, นะคุณตาจาก็บอกว่าทะานรู้จริงๆใช่ไหมครับต้อเป็นเนี่ยนะอย่าง น, นะครับแล้วก็ปแปลตัวต่อไปเป็นเปลืที่นะครับมีร่างกายถูกไฟลวกครับเพราะว่าเคยเป็นไอ้คลมำเหงืสีของพระราชานะแล้วก็เอาอะไรเนี่ยเอาขี้เข้านะครับเอาฐานนะไปโรยใส่ครับไฟโรยใส่อะไรนะ นางสนมที่พระราชาชอบนะครับกล้วยก็ยมาเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยนะแล้วต่อไปนะครับต่อไปไปเจอเปรตที่ไม่มีหัวเนี่ยนะอันนี้พูดฝากแค่นี้พอแล้วต่อไปเมื่อไปเจอพิสูปเปรดนะครับพิสูพิสูณีสขามนาสั ม, มเนสัมเณเนรีเปรตนะคนนี้มีบากสะบองจีวรทุกอย่างผ้าเน้นนะครับแต่ว่าหน้าตาคงจะน่าเกลียยแล้วพรว่าเป็นเปรตนะครับ แล้วไฟก็ลุกขึ้นแล้วไม่สมองจีวรไหม่บริขานะครับรอยอยู่กลางอากาศร้องโวยวายครับด้วยความทุกทรมานนะแปลกผู้นี้เป็นพิสุพิสณีสิขามนาสามเนสามเนรีผู้ชั่วช้าคราชั่วช้งในศาสนานะซึ่งในครั้งศาสนาพระพุทธเจ้าก็สัตว์เธอเหล่านั้นบวชแล้วได้ทํากวามลางมกบไว้นะครับรเป็นฆาเนนแล้วก็ทําตัวไม่ดีกย่อมมีสิขาต่างๆนะครับ เนี่ยนะอือครับแล้วก็เรื่องแม่น้ําตะโพทานะครับหนึ่งเลือ่องนี้วันนี้ เ, เขียนนิ่งของพ่อโมนานะทั้งหมดเลยนะพอพอเราเ่าเรื่องพวก น, นี้แล น, นะครับลูกหลายก็เลยแพ่งโทษวชาท่ า, านะอุกฤษนะไอพุทธเจ้า ก, ก็ร้องว่าท่านจริงใช่ไหมครับเรื่องแม่น้ําตะโพทานะครับแม่น้ำตะโพทานี่เป็นยังไงแม่น้ตะโปทาเป็นแม่น้ําที่ เขาบอกว่านะครับแม่น้ํตาตะโปรธานนี้ไหลามาแต่ห่วงใดห่วงน้ํามีน้ําใสเย็นจิตสนิท ส, สะอาดมีท่าเรียบล่างหน้าร่นโมมีปลาและเต่ามากนะครับอันหนึ่งดอกบวัวประมาณเข้ากองเปียมแย้มบานอยู่แต่ถึงอย่างนั้นแม่น้ํตาตะโปรธานนี้ก็เดือดผ้าไหลไปอยู่นะคะรับพระโมคคลลาน่าบอกว่าอย่างนี้นะเดือดผ้าไหลไปอยู่พิสุก็เลยแกล้งโทษเลยหาวา่าท่านอูตลิ น, นะคะรับชุนเจ้าก็ล่ารองว่า ผม้คนละน่าเห็นจริง ๆ, ๆนะครับพ่ออะไรพ่อแม่น้ำนะครับไหลมาระหว่างนรกสองขุมนะไหลมาระหว่างนรกสองขุมนะครับพอถึงตรงที่ระหว่างนรกนั้นใช่ไหมน้ํนามันก็จะเดือด น, นะครับผมก็เลยสงสัยเออตรงที่มีน้ําคูร้อนตรงนั้นมันจะใกล้กับไอ้นรกหรือเปล่ามนนรกข้างล่างเนี่ย น, นะตรงนั้นก็เลยเป็นน้ําคูร้อนขึ้นมาได้นะนนพ่อข้างในอะไรมันมีลาวาใช่ไหมที่มัอร้อนครับนีเนี่ย แล้วก็เรื่องโรคนะครับพระเจ้าอินทร์สานตอนแรกรคแพ้นะแล้วก็ไปรวบรุมกำลังกรมาลบชนะทีหลังนะครับพระมุคลาน่าเห็นความจริงเอะคือพอรบชนะเขากตีกรองพระราชาชนะไงพระมุคลาน่าก็บอกพระราชาแพ้นะครับพิสุก็เลยบอกแล้วโมกพระมุคลาน่าอุตรินะครับพระเจ้าก็ร่ำล้อมาแพ้มาก่อนจริงแล้วก็ชนะนะแล้วก็เรื่องช้างลงน้ำนะครับอันนี้แคนี้พอนะพวีเหลือแค่สามเรื่องว่าหมดเรื่องช้างลงน้ำนะครับ ถ้าโมคลาน่าไปเข้าสมาธินะครับอานิชนัชสมาธิคือรูปปัจจานใช่ไหมครับเพราะน่าเข้าสมาธินี่บออานชนัชสมาธินะแต่ว่าได้ยินเสียช้างลงนะครับอถ้าบอว่าสมาธินี้ยังไม่อะไรนะสมาธิยังไม่ตั้งมั่นดีนี่ครับบอกว่ายังไม่เข้าสนิทดีมานี้นะครับท่าก็เลยได้ยินเสี ย, ยงนะและ้วต่อไปเรื่องพระโสพิตหรหัน ท่านก็บอกว่าท่านรื้อชาได้ห้าร้อยกัปนะครับซึ่งหลายก็เลยแข่งโทษท่านว่าอุตริใช่ไหมครับแต่ว่าพุจะเจ้เจ้ารับรองมากท่านรู้จริงๆใช่ไหมครับถ้าสมที่กล่ารู้ปล่าที่ว่าเคยไปเกิดเป็นอสัญญาสันจริงๆนะท่านเคยไปเกิดเป็นอสัญญีสันนะอยู่ในสัญญาพมนั้นห้าร้อยมหากัปแล้วท่านก็เลรื้อชานั้นก็เลยบอกไปนะเนี่ยนะอนี่นะครับ ใช่นะท่านบอกว่าของพระโมคคานะเข้าช้าเมื่อกี้นะครับท่านบอกว่าในสมาบัติแปดยังไม่ได้ยังเทาเป็นค่าสุจริตสมาที่ให้บริสุทธิ์ด้วยดีนั่งเข้าจุดทางแนวแน่นะครับ อ, อ๋อนี่ไนะนะครับนี่ครับว่าแค่นี้เเ น, นะจบแล้วนะครับงั้กลับมาต่อเลยนะนี่น่าจะไม่ดีแต่ว่าถือว้ฟัง สิ่งใหญ่ก็จะเป็นเรื่องไปเ ย, ะเ ย, เยอนนะรยเรื่องเกี่ยวกัพรมคคนครับหายเต่อไปครับกลับมานะาหกสิบหกนะครับให้พักขึ้นให้จบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะพับขึ้นหกสิบหกข้างล่างนะครับปาราชิสยี่สี่คำว่าทิฏฐานข อ, อยัสมันโตจตารูปราชิกาธรรมานะครับดูบ่ผูทมีอายุทั้งหลายใช่ั้ยปราชิสสี่ อาบัดปลาชิ้นสี่ข้าพรเจ้าสวดแล้วนะครับเป็นคาแสดงปราชิ้นที่สวดไปแล้วในปาฏิโมงนี้ก็รวมทั้งหมดแล้วปราชินมนยี่สบสี่นะครับไม่ใช่แค่สี่นะมีตั้งยี่บสี่นะครับคือที่มาในผ้ามารีปาได้แก่ของพิสุสี่ของพิษุณีที่ไม่สรารสนะกับพิสุอีกสี่นะครับคือของไมุ่มีความเจียงมีแปดแต่สี่ข้อแรกเหมือนของพิสุใช่ไหมครับอีกสี่ข้อหลังไม่เหมือนนะ้ ท่านก็ัำจาพ่อข้อที่เหมือนๆใช่ไหมครับก็อได้แปดนะแปดแล้วนะครับรวมกับสิบเอ็ดอย่างคือกล่างคือนะครับที่เป็นภาพภาพบุคคลสิบเอ็ดจำพวกมีบันดอกเป็นต้นนะครับภาพภาพบุคคลท่านก็รูปเป็นปราชิ่นเหมือนกันนะพราะเป็นคนที่มั่นสามาราจะบวชได้นะครับพวกนี้เป็นคนที่อานภาพต่อการบรรลุนะบรรูุมรรคนะครับถภาพภาพบุคคลสิบเอ็ดมีอะไรมากครับ บันดอลนะครับวิชลีจาได้หมบันดอลนะครับรวมอุปตัวพิญชนกนะครับสันเดลฉา น, นครับสันเดลฉานผ<ม>ูข้ข้ารีเดลถีครับผูพ้พิสุขข้ารีเดลถีนะแล้วก็พู้บรรทุกสนาพิษนีขอมขืนพิษณนนนีนะครับได้ห้าล้ ออาอันนี้อุตริวิทยานกคนที่ทำนันตรีากรรมห้าจำพวกใช่ไหมครับอืมครับได้สิบแล้วใครคนนี่ครับใครเขาคนคนรับเพศครับคนเับเพศนะ อ, อ, อย่างนี้ครับเงั้ยก็รวมไปสิบเอ็ดพอดีนะครับครับถ้าตัง่้าตั้งเจ็วันใ่วัยมาเลยไม่รู้ เลยยังเป็นอะไรยิสัตวงเชเลยเนี่ยถ้าเนักตมาามปีี่ปีนีนะเวลาเขตายไปเนี่ยก็จะได้รัรนนเะเข้ากอหรือเปล่าถ้าทำด้วยความไม่รู้อะไรเนียโทมันจะบาก่าหรือเปล่าแต่ามจริงมันก็ไม่มีททษตรงที่แกไม่ใส่ใจที่จะศึกษาบางทีเหมือนก็ว่าถ้าศึกษาถามคุณบาลอาจารย์นะ เขาเข้าใจว่าอย่างนั้นอย่างนั้นดีครับผมว่าจะว่าโทษยู่หนัะเพราะถ้าไม่รู้จริงๆครับเขาจะผิดไปอย่างนั้นนะเขาปองอาบัตก็หลุกนะแต่รู้เขารู้ว่าต้องอาบัแล้วก็ทำไปนี่ถ้าโทษหนักเลยนะเพราะทำมานานครับย่อมมีสุกาบุมานานนะคนเยอะหรอว่าต้องการเขาตัดสุตัวไปเนี่ยะครับ โอที่แล้วก็แล้วก็แล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็มนแต่ทําของใหม่ให้ดีอ๋อเดี๋ยวต่อเลยนครับปาราชิ่งยี่สี่นะครับเมื่อกี้ได้ไปเท่าไหร่นะได้ไปสิบเก้าแล้วใช่ไหมครับอือสิบเก้าใครบ้างปลาชิ่งของพระสี่ใช่ไหมครับของพิสุนีที่มีสถานะของพระสี่แล้วก็ครอบครัวบุคคลอีก สิบเอ็ด่ไครับก็เลยได้เป็นสิบเก้านะครับนี้ท่านก็อธิบายว่าแม่ผ้าผ้าบุคคลนครับท่านก็บวกเรื่อนเป็นปาราชิกันเนะไม่ใช่ว่าปาราชีแบบว่าต้องแบบปาราชิกนะครับก็ถือว่าเป็นผู้พ้าแพ้นะเพราะว่านะครับไม่สามารถจะบรรลุมากขนลด้นะมากขนล่าบวกก็ไม่ได้นะครับเชื่อผู้พ้าแพ้เหมือนกันท่านบอกว่านะครับ เอาพูดถึงอาครอบาบุคคลสิบเอ็ดมือจำพวกเมื่อกี้นะให้ยจำแนงแยกย่อยกว่าีกนะครับว่าบรรดาครอภผพาบุคคลสิบเอ็ดจำพวกเหล่านั้นนะครับบุคคลสามจำพวกคืออะไเนี่ยไม่มีนะอันนี้ผมอ่านพิบายนฟังบันดอกสันติาลุพโตรเพยชนกนครับสามจำพวกนี้นะนะเป็นพวกเหตุการณปฏิสนธินะครับปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันติระนาใช่ครับเป็นพวกวัตถุวิบัตินะครับ บวไม่น่านะบวมาด้วยจิตที่ไม่มีเหตุนะครับบรรลุก็ไม่น่าพวกวัตถุวิบัติเหล่านั้นไม่ถูกห้ามสวรรค์นะครับสวรรค์เข้าไปได้นะแต่ถูกห้ามมั่งบรรลุมั่งไม่ได้เนี่ยเจดียอยู่บรรดกเป็นต้นเหล่านั้นจําเป็ น, น, า น, น, ปนภาพภาพบุคคลสําหรับการได้มั่งนะครับเพราะเป็นพวกวัตถุวิบัตินะครับเนี่ยนะถึงกรรมชาสําหรับพวกเขาก็สงห้ามไว้นะครับบวไม่น่านะ เพราะฉะนั้นบรรดาเป็นต้นแม้เหล่านั้นจะจึงจารว่าเป็นผู้พ่ายแพ้เป็นประวัติชีนะครับแล้วบุคคลอีกแปดจำพวกนะครับคือคนลักเพศผู้เข้าวหีเดนทีแล้วคนทำํำภูมทุกศร้ายนะพิษณีนะครับและคนทำนํำลัตริยกรรมนะอีกห้ประเภทนะครับก็รวมเป็นแปดพวกนี้ถ้างบอกว่านะครับชื่อว่าถึงฐานะเป็นอภพภาบุคคลเพราะเป็นผู้วิบัต ด้วยการกระทําของตนนะคือไม่ใช่เป็นผู้พัฒนาตั้งแต่แรกเกิดใช่ไหมไม่เหมือนพวกเหตุการณ์จริงนะครับเหตุการตั้งแต่แรกเกิดเลยเนี่ยก็บวชเข้ามาผู้ไม่ได้มารูปมากก็ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นผู้พัพภาอันนั้นผู้พ่ายแพ้ไปเลยแต่พวกนี้ตอนเกิดมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่มาทําตนนะให้เป็นหผู้พัฒนาบุคคลนะครับนี่นะพวกนี้นะครับท่านบอกว่าเป็นผู้วิบัติด้วยการกระทําของตนเพราะฉะนั้นจึงจัดว่าเป็นผู้พ่ายแพ้ด้วย คือบวชไม่น่าเลยใช่ไหมแล้วก็ห้ามนะมรรหนึ่งห้ามมรรคหนึ่งบรดาบุคคลแปดจําพวกนั้นนะครับส่วนบุคคลสามจำพวกเหล่านี้คือคนลักเพศหนึ่งครับที่สุขอริยเดชีหนึ่งสมณเณรผู้บรรทุกสายนะพุทธนีหนึ่งอันนี้ไม่ถูกห้ามสวรรค์นะสวรรค์ยังไปได้นะครับแต่ถูกห้ามมรรแท้นะครับเมื่อเอาสมณเณรอย่างเนี่ยผู้บรรทุกายพุทธนีเนี่ย ส, ยสนะมณเณรก็เอานะ พวกนี้นะครับหนังเหมือนกันนะคนที่ข่มขืนพิสุนีนะครับมารู้มกกักเขาไม่ได้นะครับว่าขมขืในะพิสุนีไม่ยอมนะใจอยากพิสุนีฝี้ที่มีสีมากนะครับโดยไปทําก็แต่การบางคนถูกห้ามการมารุมักเลยแต่ไม่ห้ามสวรรค์ทีนี้อีกห้าจําพวกนะครับห้าจำพวกคนที่อนันตริยกรรมนะอันนี้ถูกห้ามทั้งสองอย่างห้ามสวรรค์ด้วยแล้วก็ห้ามมากด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าหมุคคลเหล่านั้นจัดเป็นพวกสัต ที่จะต้องเกิดในนรกไม่มีละอันกันแน่โแน่นอนใช่ไหมไม่มีระวันนะครับเอาป้าบุคคลเสียจําพวกเหล่านี้นะครับและบุคคลผู้เป็นปราชิชิกแปขั้งต้นจุลวนไปสืเก้าที่ประกาเช่นครับเนี่ยนะคนเป็นปราชิกแปเามนไปอ๋อห้ามมากครับคือถ้าใไม่สึกครับห้ามากผลัสวรรค์ก็ไม่ได้นะไม่ได้ ถ้าศึกไปแล้วก็มารู้มากน้าถึงขั้นผ้า น, นาคามียร์ครับนี่นครับแล้วก็ถึงไหนนะบอกว่าเป็นศึกเก้านะครับรวมกับประราชิษของนาพิจุนีผู้ปรรนาความเป็นขึ้นิหัศึกแล้วพิจุณีที่ขาดจากความเป็นสมณะพราะยินดีการลุ่งผ้าขึ้นิหัศคล้ายๆกับสมณะเองนะครับก็คือเปื้องผ้าการสามารถผ้าจีวองออกนะครับ แล้วก็พาคาราวามนมะลุงมะห่มนะแล้วก็ยินดีในเพศนั้นนะครับคือจะลองรู้ว่าแพศขันาหายของเราจะสวยหรือเปล่าพอเป็หมแล้วก็ยินดีว่าเนี่ยโอ้เราเป็นขันาหันก็สวยนะครับคาราวานพิษณีอะไร น, นะครับ น, นี้ก็เป็นปลาชี่พวกหนึ่งก็รวมเป็นยี่สิบนะครับถ้าหนังสือเป็นยี่สิบเอ็ให้ขีดแรกหนึ่งทิ้งนะเป็นแค่ยี่สิบนะครับรวมเป็นยี่สิบแล้วก็ยังมีสี่ประเภทนะครับที่นักกล่าวว่าเป็นอนุลงปลาชี่นะ ปลาชิงเดืออนุโลมคือพิสูจนผู้มีองค์ชาตยาวนะครับมีองค์ชาตยาวนั่นนี่ครับสามารถจะเอาองค์ชาตสอดเข้าทางพละหนักของตัวเองได้นะครับพิสูจน์ผู้นี้ไม่ได้เป็นปลาชิงมาตั้งแต่เกิดนะมาเพราะว่ามูลแกมาบวชแล้วก็มาทำอย่างนี้นะครับเวลาเกิดความกํานกหนักเงินเสพัละหนักของตัวเองใช่ไหมก็จะเป็นปลาชิงตรง น, นั้นแต่ถ้าก็มาแยกอีกผู้หนงผู้พิเศษนะครับแยกเป็นอีกคนนึง แล้วก็พืสูจเพื่อมีหลังอ่อนนะครับอาจจะเคยดังหลังแรงก่อนนะแต่เหมือนหลังอ่อนมากนะครับสามารถจะอมองค์ชาติตัวเองได้นะครับเนี่ย น, นะก็เป็นปราชาเชนุรมคนที่สองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะจะเป็นปราชาที่ก็สองเมื่อและออมองคชาตของตัวเองก่อนนะครืคอมันแตกคนอื่นไงทํางานเขาจะมีการเสร็จใช่ไหมทานธามาเบาป่าอันนี้มาทําของตัวเองนะครับเสรของตัวเองาทานธามาหนังนะ แล้วก็ทางปาก น, นะครับแล้วก็พิสูจผู้อมองคกระช่ากงผู้อื่นนะครับไม่ได้เสกหน้านี้ไปทำองคนอื่นไปอมของคนอื่นนะครับให้กระไรแย่พิเศษและพิสูจนผู้นั่งถ้ำนะครับองคกระชากผู้อื่นแล้วนั่งถ้ำหมือนั่งค่อมก็ได้นะสอดทวารเบาไม่ใช่ทวารหนักนะครับยิ่งที่ท่านบ่งเลยไว้นะเขาไมาน่น่าเรียกว่าสอนนะเขาเรียกว่านั่งค่อมใช่ไหมนะครับครับ เอาทวัรนักของตนนะครับเข้าไปทางองคชาตนะครับนะครับเขียนว่านั่งท้าใช่ไหมเขียนสิ่งใดก่อนสิ่งนี้ก่อนอือครับอืมครับผมเขียนว่าสอดทวานหนัเข้าไปไม่เขาไม่อสอนก็เอาทวานหน่กเข้าไปทางองคชาตนะครับไปนั่งข้อมนั่งทําองคชาติขียนนะนะครับอันนี้ก็แยกมาอันหนึ่ง อย่ากมาพ่อแกไม่ได้ไปเสพใครไงแต่แกให้คนอื่นมาเสพตัวใช่ไหมแต่นั่งทานั่งคล้องเขานะครับอันนี้รวมทั้งสี่ประเภทนะครับเรารวมทั้งสี่ประเภทเหล่านี้แล้วเพิงสามารถปราชิกมีทั้งหมดยี่สี่ประเภทนะครับด้วยประการชนี้นะต้องเอาบทป ร, ราชิกไม่สามารถเข้าพวกกับสงได้นะครับอคําว่าตรงนี้ความจริงนี่ไม่แอนตรงนี้นะ ต้องอ่านานี้ก่อนครมาดูหนึ่งบทสมวิธีนะคำอธิบายตอนหลังนี่นครับหน้าหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเ้าะครับไอ ต, ตรงย่อหน้าไม่ใช่นหน้าตรงกลางนะครับที่บอกว่าท่านทั้งหลายอาบัตที่ชื่อว่าปราชิตรสี่สิกขาบทข้าพเจ้าได้สแสดงแล้วเมื่อพิสูจน์ต้องอาบัต ด, ดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่ง ในการก่อนที่จะบวชนะครับย่อมไม่ได้ซึ่งจะอยู่ร่วมกับพิสุขทฆาลัยชั้นใดในภายหลังจากที่ต้องอําบัติปราชิกแล้วก็ฉันนั้นก็คือไม่ได้ไม่ได้การอยู่ร่วมกับพิสุทฆาลัยชั้นนั้นนะเป็นผู้พ่ายแพ้ไม่มีสังวัตนะเดี๋ยวาาท่านจะอธิบายตรงเนี้นะตรงที่ว่าไม่ได้อยู่ร่วมกับพิสุนะครับข้บาพเจ้าขอถามท่นั้งหลายในบัติปราชิกนี้ว่า ท่านังหลายเป็นผู้บริสุทธิ์หรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สอง 2, และข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สามว่าท่านังหลายเป็นผู้บริสุทธิ์หรือท่านังหลายเป็นผู้บริสุทธิ์จอาบัติปราชิก น, นี้ดังนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความข้อนั้นไว้ด้วยอาการอย่างนี้ครับปราชิกปรเทศจบนะนี่นะทีมาดูคำที่หมายครับท่านบอกว่าคําว่า น, นรพติพิขุหิตสทิงสังวาสัง น, นะ ย่อมไม่ได้ซึ่งการอยู่ร่วมด้วยพิสุทั้งหลายนะครับเขาว่าอยู่ร่วมที่นี้นะก็หมายถึงนะครับเนีย่ยอยู่คำขีบายนะผู้ต้างอบัตปราชิย่อมไม่ได้การเข้าร่วมกับพวกพิสุมีการเข้าร่วมธง โ, มโมสบสถกรรมเป็นต้นนะครับที่ว่าเป็นผู้ไม่มีสังวาล น, นะไม่ได้มีการอยู่ร่วมกับพิสุนะครับแต่สังวาลนี่คืออะไรอกรรมนะกรรมที่มือทําร่วมกันนะครับ ปูเท่คือปาฏิโมกนะที่เป็นส่วนร่วมกันนะครับแล้วความผู้มีสิสมมทธิ์เสมอกันอันนี้แหละชื่อว่าการอยู่ร่วมตรงนี้นะก่อนหน้าที่เขาจะมาบวชเขาก็ไม่ได้ตรงนี้ใช่ไหมครับการอยู่ร่วมตรงนี้นะซิ่พอเป็นปราชญชิ้นแล้วก็ไม่ได้การอยู่ร่วมตรงนี้เหมือนกั น, นครับเนี่ยนะเอาว่าสำสัญญา ร, ร่วม ล, ลงปาฏิโมกร่วมแล้วก็มีสิทธิ์เสมอกันตรงนี้จะไม่มีแล้วครับคําว่ายถาบริยถ า, ป, ถาปัญชาความว่า ข้าวก่อนนะครับคือครั้งที่เป็นคฤหัสหรือสมณีมีภาวะอย่างไรคือไม่ได้ร่วมนี้นะอย่างไรนะครับภายหลังต้องบัพปาราชิกแล้วก็เป็นผู้ไม่มีสังว่ามีภาวะอย่างนั้นเหมือนเดิมการอยู่ร่วมกันมีโบสตกรรมเป็นต้นของพิสูจน์นั้นกระหมู่พิสุหามีไม่ต่อไปการถามความบริสุทธิ์นะครับคําว่าตัถาสมันเตกุจฉามิความว่า นวแบบปราชาชีสี่ข้อนี้เขาพรเจ้าขอถามท่านหลายว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือค <c oughs> ําว่ากัจจิฐาตัดบทเป็นกัจจิกเัจธาขยายความว่าแนแบบปราชาชีสี่ข้อนี้ทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรืออีกในหนึ่งคําว่ากัจจิฐาบริสุทธิ์ธาแปลว่าพวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือคําที่เหลือมีเนื้อความชัดเจนแล้ว ธนาปลาชิคุ้แแทแนวเอกสารบูปาติโมคชื่อการขาวิตรณีจบแล้วด้วยประการชนนีครับจบปราชิ้นสังขาริเศษของตะไวย์คือแล้วนะน เ, เนี่ยเราเรียนปรายชิ่งรู้หรือเปล่าจบเพราะมีแดดผิดปกติสองเรียนแล้วนะเ <laughs> นี่ยธรรมดานะครับ